วันนี้มีคําถามเกี่ยวกับเรื่องการเจริญสติคําถามเนี่ยมีอยู่บ่อยครั้งจากญาติธรรมเจริสติมาบ่อยๆทุกวันทุกวั น, นมักจะมีญาติธรร ม, มสงสัยสงสัยเรื่องที่ว่าเจริญสติทําำมาเพื่ออะไรนี่คือคําถามมีคําถามนะ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 ปรุงแต่งใดๆทั้งสิ้นจิตมันก็จะเป็นปกติมีแรกเราวะที่รู้สึกตัวดูอยู่เห็นอยู่การที่เรามีสติตามรู้กายรู้จิตยอยู่เนืองอย่างต่อเนื่องเป็นอุปนิสัยนีนย้จะนำพาวิถีชีวิตของเราเนี่ยออกจากความเร่าร้อนออกจากความสับสน ม, ม่นวายหรือความทุกขทนหม่นหมอง มาสวนทางที่สงบเย็ยนปลอดภัยจากความทุกข์ด้วยการเจริญสติการเจริญสติเนี่ยเป็นวิถีทางที่รัดสั้นเข้าสู่ความพ้นทุกข์เลยที่ว่ารัดสั้นก็เพราะว่าทำสิ่งที่มากให้น้อยทำสิ่งที่ยากให้ง่ายๆทำสิ่งที่ทุกข์ให้ไม่ทุกข์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 แล้วก็ไปยึดมั่นถือมั่นกับการทาบุญแต่สิ่งภายนอกปันโลมดูใจของเราอันนี่ทำสิ่งที่น้อยให้มากนะถ้าทำสิ่งที่มากแค่น้อยก็คือเวลามีความทุกข์ในใจเนี่ยเรามีสติรู้เท่าทันในความทุกข์เหล่านั้นในจิตใจของเราเนี่ยน้อยใช่ไหมไม่ต้องทำสิ่งที่มากทำสิ่งได้น้อ ย, อยหรือทำสิ่งที่ยากให้ง่าย เวลาเรามีความทุกข์เกิดความคิดนึกปรุงแต่งในใจเราดูมันยากแต่ถ้ามีสตริรู้เฉยๆโดยที่ไม่ต้องไปข จ, จัดความคิดนึกปรุงแต่งอะไรเลยแค่รู้เฉยๆรู้แบบดูๆแบบแยกๆความคิดน่าก็จะดับไปหรือจะจิตล้วนๆที่รูส้สกตัวดูอยู่ง่ายๆทำสิ่งที่ยากให้ง่ายหลงุงปรอเทียนนี่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 แต่ทุกไม่เกิดพระต่างเรียกว่านิโรธขบวนการทั้งหลายที่เรากำหนดรู้ทุกละสมุ ท, ทยัยและกระทุกไม่เกิดขบวนการเหล่านี้ก็คือการเจริญมากมีองแ์ดนั่นเองในขณะจิตเดียวกันเลยการเจริญมักมีองแปดก็คือการเจริญสติเห็นหการเจริญสติเนี่ยจึงเป็นวิธีที่รัดสั้นมุ่งสู่ความพ้นทุกโดยตรง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 พ้นทุกโดยสิ้นเชิงตอบสั้นๆว่าเจตสติก็เพื่อความพ้นทุกเท่านั้นเอง